สิขาบทที่8เรื่องพระชัพพคี603สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันรามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพะกีรา บ, บินทบาทมองดูที่นั้นนั้นเมื่อเขากำลังเกลียบินทบาทบ้างเสร็จไปแล้วบ้างก็ยังไม่รู้สึกตัว 8. พึงทาความสาเนียกว่าเราจะให้ความสาคัญในบาทขณะรา บ, บินทบาท เรื่องพระชจ้พะกีจบศิษยาบทวิพังภิกษุพึงให้ความสําคัญในบาทขณะรับบินทบาตภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อรับบิณฑบาตมองดูที่นั้นๆต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวาลภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข่ห้าภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กภิกษุวิกลจริต7จภิกษุต้นบัญญัติ สิขาบทที่8จบ